อมันตยามิโววิยธรรมะสังขาราตตะอัปามาเดนะสัมปเดทาตินั่งตรงตามปกตินะ่ะลำดับต่อแต่นี้ไปจะเป็นช่วงการฟังธรรมะ เรียกว่าการควังธรรมปฏิบัติธรรมคำว่าควังธรรมปฏิบัติธรรมหมายความว่ามันทําไปด้วยกันนะเราควังแล้วคิดตามนี่เรียกว่าคังธรรมปฏิบัติธรรมให้ไปด้วยกันได้ก็คือควังแล้วคิดตามเสียงที่มากระทบต่อหูของเรานี่เป็นเสียงธรรม การที่เรารู้สึกเข้าใจได้นี่เป็นการฟังธรรมแล้วนำสิ่งนั้นๆที่ฟังเข้าใจแล้วไปคิดตามพอไปคิดตามนี่เป็นการปฏิบัติธรรมผลเกิดขึ้นจากการที่เราคิดตามใครควรต่อธรรมนั้นนะ่นะเป็นผลของธรรมผลของการปฏิบัติธรรมงั้นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมช่วงเช้าเราก็ปฏิบัติควบคู่กันไป ก็คือควังแล้วคิดตามวันนี้เป็นวันที่สามแรมกี่คําหลังจากสิบห้าคัเดือนหกมากี่วันเนี่ยฮะถสามช่วงเวลาสิบห้าคัเดือนหกวิสาขาบูชา มีความหมายสามอย่างวันที่เกา้าปบสภาเนความหมายที่หนึ่งก็คือประโูธิสัตวประสูิได้ไปสามวันวันนี้คือว่าย9 30ิบเก้าสามสิบสามสิบเ็ดหนึ่งสองสามโอ้ยห้าวันถ้า ประสูนแล้วห้าวันวันนี้ถอยหลังกลับไปเมื่อห้าวันหลังจากที่พระพุทธสัสน์ประสูต์ที่เปรียบเทียบกับวันนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าสุตโตสนะได้เชิญพราหมณ์หนึ่งร้อยแปดเข้ามาเพื่อเลี้ยงอาหารในรังในใ น, ในพระราชวังวันวันนี้ที่กรุงกระบินละบาทในวันนั้นน่ะที่ตรงกับวันนี้เนี่ยจะมีพราหมณ์ร้อยแปดคน เข้ามารับประทานอาหารมันจะมีความคึกคักเป็นพิเศษนี่เหตุการณ์แรกนะแล้วก็พรามทั้งร้อยแปดคนเนี่ยได้ทำนายพระลักษณะว่าถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระหมห า, าการกพัฒน์ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลก แล้ววันนี้นี่แหละพี่พระเจ้าสุโทสนะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญคัดเลือกพรามหนึ่งรผู้ที่เก่งที่สุดในในหคนเนี่ยให้เหลือแค่8ดคนให้มาทำนายใหม่เพื่อที่จะหาข้อยุติไอ้สองอย่างนี่ดูมันยังยังไม่กวันทงก็ได้พรามมา8ดคนหนึ่งใน8นั้นคื อ, อัญญาปลธัญญะที่เป็นอัครสาวกรูปแรก นี่คือเหตุการณ์วันที่หลังจากประสูติแล้วห้าวันวันศีรษะค่าเดือนหกเนี่ยนอกจากวันใกล้วันประสูติแล้ววันใกล้วันตรัสรู้และวันใกล้วันปณิพนัลแต่วันใกล้วันตรัสรู้เนี่ยหลังจากตรัสรู้เสร็จวันนี้วันที่ห้าแสดงว่าพระองค์ยังอยู่ที่ไหนเนี่ยวันนี้หลังจากตรัสรู้เสร็จแล้วห้าวันเนี่ยยังนั่งอยู่ที่ต้นโพนั่งเสวยวิมุติสุพิจารณาอะไร พิจารณาธรรมะที่ตรัสรู้เนี่ยอริยสัจสีเนี่ยพิจารณาให้มันละเอียดแยกคายออกไปเป็นปฏิจจสมุปบาทก็เป็นวันที่ห้าที่ยังสวยวิมุติสุขอยู่ในสัปดาห์แรกทีนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งวันวิสาขาบูชาเป็นวันคล้ายวันสเสด็จ ด, ดับแับขันธปริพานในวันที่ห้าเนี่ยมันจะอยู่ช่วงไหนนี่ เป็นช่วงเวลาที่บรรดากษัตริย์มละกษัตริย์ก็ดีพระภิกษุตั้งหลายแลยตั้งภิกษุภิกษุณีที่เดินทางมาจากที่ต่างๆหลั่งไหลเข้ามาอยู่ที่ใต้ต้นสาร ะ, ะแล้วก็รอบๆพระสพ ในป่านั้นทั้งป่าก็จะมีเสียงอื้ออึงด้วยความร่ำไห้ของปุตุชนและพระเอริยบุคคลชั้นต้นและมีการกล่าวสังเวสังเวทนียกถาความสังเวทลงธรรมสังเวศกันของผู้ที่บรรลุธรรมแล้ว <c oughs> และก็เป็นที่ บนเพอร่ำไรร่ำพันของผู้ที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นจะปรารถนาพ้นจากทุกข์แต่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็ยังนั่งบนเสียอกเสียใจบางกลุ่มบางพวกก็นั่งคุยกันสนุกสนานณทรามที่นั่นท่ามกลางดอกบนทารพร่วงหล่นลงมาจากฟ้า ตกมาด้วยอำนาจของเทวฤทธิ์ด้วยอำนาจของเทพ ย, ายดาและถ้าพระภิกษุที่อยู่ภากฝังของพระอนุรุทธเถระนะขนานั้นพวกนี้จะมีตาทิพย์ก็จะได้เห็นเหล่าฝูงเทพ ย, ายด า, าเรียกฝูงกนะ็ขออภัยเหล่าบรรดาหมูเยยหม่เทพยดาหมู่เทพยดาทั้งหลาย ที่อยู่บนบางพวกก็เอาแผ่นค้าเป็นพื้นดินบางพวกก็เอาพื้นดินบินพื้นดินที่เอาแผ่นค้าอากาศเป็นพื้นดินก็หมายความว่ามันนั่งโศกเศร้าเสียใจร่ําไห้บางพวกก็เอาพื้นดินอยู่บนพื้นดินก็นั่งโศกเศร้าเสียใจร่ําไห้เยอะมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าก่อนหน้าที่จะ ปริพานนั้นบอกว่ามีพระรูปหนึ่งไปถวายหานพัดอยู่คือพระอุปวานาอุปวหะพระเจ้าเสด็จไล่ออกไปเพราะพระอนนไปถามว่าทำไมถึงไล่อุปวานาพระเจ้าก็บอกว่าเพราะมีผู้เทพ ย, ยดาทั้งหลายที่จะเข้ามากราบล่ำลาเราพระเจ้าว่าในป่านั้นทั้งป่าทุกอนูของพื้นที่ที่ว่างแค่ปลายขนทรายรู้จักทรายไหม ปลายขนทรายขนเนื้อทรายขนของเนื้อทรายเล็กๆเอากวางรู้จักกวางไงเออนั่นะขนกวางรู้จักปลายขนกวางเนี่ยพูดง่ายที่ว่างสำหรับขนาดพอที่ว่าขนาดปลายของขนกวางจิ้มลงไปเนี่ยให้ว่างแค่ขนาดนั้นนะไม่มีเพราะมันจะเต็มไปด้วยพวก เทพพ ย, ยดาทั้งหลายที่เข้ามาวันนั้นเยอะมากแล้ววันนี้ซึ่งผ่านมาห้าวันแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นวันถ้าหลังสามเหตุการณ์นะเหตุการณ์แรกวันประสุดโอ้โหไชโรชาเหลือมฉลองกันอย่างลึกครกโรมเลยวันนี้วันที่ห้าจะตั้งชื่อจะ้องกันไม่หยุดไม่หย่อนผ่านไป วันนั้นผ่านไปสามสิบห้าปีก็วันที่ศัตรูเงียบสงบร่มรื่นวิเวกจากวันนั้นผ่านไปอีกสี่สิบห้าปีกับไม่กี่วันกลับกลายเป็นเสียงที่รำไห้อาดูนรำไรรำพันเนี่ยลักษณะ วันวิสาขะบ่งบอกถึงความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นความเป็นจริงในที่สุดแล้วบุคคลที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าก็ยังหนีไม่พ้นจากความจริงนี้ ในวันที่ทรงเสีสยสยญาติที่ระหว่างต้นไม้สาระทั้งคู่ <c oughs> รับสั่างง่ายปูเตียงสำหรับเป็นที่บรรทมในระหว่างต้นต้นสาระนั้นนะให้กองสังคติปูขึ้นมาเป็นสี่ชั้นแล้วก็ทรงเสด็จ เสียสหาตินอนเนครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะก่อนที่จะตับขันทบุริพพานเพราะว่าพระวาจาสุดท้ายที่เรียกว่าปัจฉิมวาจาที่ได้ตรงจัดในขณะนั้นเป็นพระวาจาที่ทันสมัยทุกยุคทุกสมัยไม่ว่า บ้านเมืองของเราหรือโลกใบนี้จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรก็ตามพระวจาสุดท้ายในวันนั้นที่ตรัสเนี่ยเป็นเหมือนกับเคล็ดวิชาของมนุษย์ไม่เกี่ยวว่าจะอยู่จับศาสนาหรือความเชื่อแบบไหนก็ช่างเคล็ดวิชาที่ตรัสในวันนั้นมันรวบรวมสรรพวิชาได้ทั้งหมดเลย แค่จำในวันนั้นได้อย่างเดียวมันจะเข้าได้หมดตั้งแต่ปิดอาบายไปสุกติขึ้นพรมโลกในที่สุดจนพ้นจากความทุกข์สู่ความเป็นอมตะก็ด้วยด้วยวิชาที่พระพุทธเจ้าตรัสในวันนั้นที่เรียกว่าวาจาครั้งสุดท้ายหรือปัจฉิมวาจาตรัสว่าอย่างไร ตรัดว่าอย่างไรฮันดาดาณิพิก เ, กอเวอามนตยามิโววยธรรมาสั้างฆาราอปมาเดนะสัมปเดธาว่าพิกจุทั้งหลายเพราะวันนั้นพระอยู่ใช่ไหมพิกจุในที่นี้มันหมายรวมถึงพวกท่านทั้งหลายด้วยแต่ตรัดเน้นย้ำไปที่ภิกษุว่าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ ต, ตาตาโคตจะขอเตือนเธอครั้งสุดท้ายสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวยธรรมม า, ส, าสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนี่นั่นเคล็ดวิชาที่พระพุทธเจ้าตรัสวันนั้นเรียกว่า จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดจงอยู่กับความไม่ประมาเทเถิดจงอยู่กับความไม่ประมาเทเถิดให้ความไม่ประมาทในที่นี้คือไม่ประมาทอะไรก่อนหน้านั้นจัดว่าทมวิใยที่เราได้รัดไว้ดีแล้วจะเป็นศาสดาแทนเราแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วคืออะไรก็คือศีลสมาธิและปัญญาหันพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดคือไม่ประมาทอะไรไม่ประมาทในศีลไม่ประมาทในสมาธิไม่ประมาทในปัญญาไม่ประมาท ใ, ในการที่จะรักษาศีลไม่ประมาทในการที่จะเจริญสมาธิและไม่ประมาทในการที่จะเจริญปัญญานี่ขยายออกไปอย่างนี้ คราใดที่ภิกษุหรือผู้คนทั้งหลายในโลกนี้ประมาทในเรื่องศีลประมาทในเรื่องสมาธิประมาทในเรื่องของปัญญาครานั้นเขาก็จะเป็นคนมืดคุนบดไม่มีตาร้า ย, ยานและเต็มไปด้วยความคับแคนไม่สามารถที่จะไปถึงแดนของพระนิพพานได้กิเลสชาติทั้งหลายก็จ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองในดวงจิตดวงใจ และก็มีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอันนำไปสู่ความทุกข์ในใจของผู้ที่มีกิเลสชาติเจริญเพราะนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าจัดในวันสุดที่ว่าเป็นปัจฉิมวิจานี่เป็นเคล็ดวิชาของมนุษย์นี่เราตัดคำว่ า, าศาสนาออกไปว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์ท่านหนึ่ง ที่เกิดมาเป็นปกติแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความพ้นทุกข์ให้กับมนุษย์ด้วยกันโดยเสียสละพระองค์ศึกษาก็าไปในพระองค์ในธรรมชาติต่างๆทั้งนอกทั้งในในที่สุดก็ค้นพบว่าการฝึกฝนใจนี้ให้มีความภัยบุ์ของสติคือว่าให้มีความสมบูรณ์ทางสติปัญญาใจนั้นก็จะเป็นใจที่อิสรา สามารถที่จะอยู่กับสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าทุกได้เนี่ยโดยไม่ต้องทุกยังมีความแก่ยังมีความเจ็บยังมีความตายเป็นปกตินี่แหละแต่ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ไม่ต้องทุกข์กับความเจ็บไม่ต้องทุกข์กับความพลัดพราดเรียกว่าความโศกเศร้าเสียใจร่ําไรรําพันความผิดหวังต่างๆไม่ปรากฏขึ้นเกิดขึ้นไม่ได้กับใจที่มีสติปัญญาสมบูรณ์ การฝึกฝนบำเพ็ญใจของตนให้มีสติปัญญาที่สมบูรณ์ก็จะทําให้เป็นอิสระได้จากความทุกนี้นี่คือความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าศึกษาค้นคว้าแล้วนํามาสอนโลกบุคคลผู้นี้ตัวหลังเราก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระองค์สอนเราก็เรียกว่าพระพุทธศาสนาไอ้ น, นี่เราว่ากันเองแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิชาของโลกของธรรมชาติ ที่มนุษย์คนหนึ่งไปศึกษาค้นคว้าพบเข้ามันมีอยู่จริงในโลกใบนี้มันเป็นสัจจะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่สิ่งที่ใครมาบัญญัติไม่ใช่ความวิเศษที่มาเทพพ ย, ยดาตนไหนนํามาประทานให้ไม่ใช่มันเป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแล้วท่านมนุษย์ผู้นี้ไปศึกษาค้นคว้าโดยใช้ตัวเองเนี่เป็นเครื่องทดลองศึกษาค้นคว้าจนพบพบเสร็จแล้วก็นํามาสั่งสอนพอสั่งสอนเสร็จแล้วเราก็มาเรียกกันว่าพระพุทธศาสนา ผู้ที่สอนเราก็เรียกว่าศาสนาและเราก็บอกกับเราว่าเราคือศาสนาพุทธแท้ที่จริงเราไม่ต้องเป็นศาสนาพุทธหรอกเราไม่ต้องเป็นเชื่ออะไรในนั้นเพียงแค่ไม่ประมาทน ะ, จะเจริญสติฝึกฝนให้ถูกวิธีทำให้ถูกทำให้มากทำให้บ่อยไปตามนั้นเราก็จะรู้ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติส่วนที่เป็นอิสระจากความทุกข์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละ เราจะมาผูกขาดอย่างเดียวก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่าในที่จริงแล้วเนี่ยเราจะประกาศว่าเราเป็นศาสนาพุทธเราสร้างโบสถ์สร้างศาล า, ท, า, นน ท, าทํานุ้นทเนี่ยิ่งใหญ่โตไปขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราประมาทในศีลเราประมาทในสมาธิเราประมาท ใ, ในปัญญาเราก็ไม่ใช่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สาวกหรอกสาวกไม่ใช่ไม่อยู่ที่อิตหินี่ปูลที่ดินที่ทรายที่ไหนเหรา สาวกของพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ไม่ประมาทในศีลไม่ประมาทในสมาธิไม่ประมาท ใ, ในการเจริญปัญญาตามพระวาจาที่ทรงตรัดเป็นครั้งสุดท้ายนั่นน่ะเอาหลังจากตัดพระวาจาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่แนละ้วไม่ก็พอครั้งสุดท้ายแล้วนี่ก็ไม่ได้ตัดอะไรอีกเลยในวันนั้นจนกระทั่งแล้วก็ทรง ดำเดินเดินจิตในรูปแบบของสมาธิเขาเรียกว่าอานุวิอันุะอันบุพวิหาร9คืออยู่ตามลำดับของชานข้าทรงข้าวฌานที่หนึ่งข้าวฌานที่สองข้าวฌานที่สามข้าวฌานที่4เข้าวฌานที่ห้าหเจ็ดแดจนถึงจนถึงนิโรธ คือฌานที่เก้าเมื่อตอนที่เข้าไปสู่อรูปสมบัตินะ่ะทรงนิ่งแล้วพระก็สงสัยครับพวกนี้ก็ำกำลันว่าพระพิจายัางอยู่หรือตายแล้วยังเหมือนกับเราไปยืนเข้าดูคนญาติผู้ใหญ่ของเราอะ่ะใช่ไอ้เดี๋ยวนี้มันดีหน่อยหนึ่งมันมีไอ้เกความดันใช่ ไ, ไอ้เกความดัน แล้วก็จะไปถ้าเราไปยืนดูข้างเตียงอะพอความดันนั้นมันลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยลดลงเรืยแล้วคือถ้าจะมีเครื่องช่วยหายใจอยู่นะลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยไปถึงจุดหนมันก็ตื้นเนี่ยหมดพอทักพักหนึ่งไอ้นี่มันก็ดีเด้งขึ้นมาอีกดีเด้งขึ้นมาอีกชิปปะจรหายไปแล้วก็มีใหม่หายไปแล้วก็มีใหม่อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็ไปยืนข้างเตียงแล้วเราก็น้ำพตายแล้วยังเดี๋ยวก็มีคนไปจับหลังเท้าเออถ้าเท้าเย็นตายแล้วอังลมหายใจไม่แน่ว่าไปเรื่อยเหมือนกันนะวันนั้นพระก็ไปถามพุทธเจ้ายัางอยู่หรือนิพพานแล้วใครตอบได้คพระนุรุตตอบพระนุรุตก็ตอบพระนรนทามพระองคว่าตอนนี้ท่านเข้าสู่สมาบัติ อรูปสมบัติอยู่พ่านพระเจ้าใช้อันุบุพวิหารเก้าอย่างนี้เป็นเครื่องดําเดินในการเข้าสู่ปณิพานเข้าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสมชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหชั้นเจ็ดชั้นแปดแล้วก็นิโรธสมบัติเสร็จปั๊บถอยกลับมาจากเก้ากลมาเป็นแปดเป็นเจ็ดเป็นหกเป็นห้าเป็นสี่เป็นสามเป็นสองเป็นหนึ่งแล้วก็เข้าจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสาม จากสามก็เข้าสู่ฌานที่สี่พอออกจากฌานที่สี่ก็นิพพานเขาก็จึงบอกว่าพระพุทธเจ้านิพพานตรงไหนระหว่างฌานสี่กับฌานห้าใช่ไหมหคุยกันนี่ไม่กล้าตอบนี่เสเด็จว่ามาบ่อยพระ เ, เจ้าปรินิพพานตอนไหนตอนสภาพจิตที่ปกติเ น, แบบนี้ยแบบเราเนี้ยคือไม่อยู่ในฌานสมาบัติเมื่อสติสมบูรณ์สติปัญญาสมบูรณ์เนี้ย มันก็ไม่เป็นนิพานกันหรอกในสมาบัติอ่ะมันนิพานไม่ได้ท่านออกจากจตุตาานเนี่ยในฌานสมาบัติฌานสีเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตอยู่ในฌานซึ่งเคลื่อนจากระหว่างฌานสี่กับฌานห้าไม่ใช่ท่านออกจากฌานสี่แล้วก็บรินนิพานหมายความว่าออกจากฌานสี่เนี่ยออกมาสู่จิตปกติอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละก็บรินนิพาน พอที่ผานเสร็จแล้วก็เจ็ดวันตั้งอยู่นั้นแล้วก็เคลื่อนประสบมาที่มักูพันธนะเจดีประสบของพระพุทธเจ้าเขาใช้วิธีปฏิบัติโดยพระอรณุณได้ทูลถามไว้ถ้าพระอรุณไม่มีพระอรณ น, นี้ก็แย่เหมือนกันนะพระอรุณได้ถามไว้จนสมัยเดียวนี้หลวงปู่หลวงพ่อทางบ้านเรา ก็นิยมทํากันคือเขียนเป็นพินัยกรรมไว้เขียนเป็นคําสั่งไว้ก่อนที่จะละสังขารทรานบางหลวงปู่หลวงพ่อจะเราเห็นวิธีการจัดทํางานงันศพของท่านเนี่ยที่ไม่ค่อยเหมือนกันล้วนเป็นไปตามตามคําสั่งตามพินัยกรรมกุญเจ้ามีไหมมีพ ร, ร, ระนรินร์ไปถามพุญแจว่า ให้จัดการพระศพของพระองค์อย่างไรพระพุทธเจ้าว่าให้จัดการแบบพระศพของพระเจ้าจักรพรรดิอา้าวแล้วศพของพระเจ้าจักรพรรดิท่า น, นทำอย่างไรก็เอาผ้าใหม่กับสําลีห่อพระศพห้าร้อยชั้นเป็นคู่กันห้าร้อคู่ก็เอาสำลีพันพัพัเสร็จแล้วผ้าใหมมาห่อหนึ่งชั้น เอาสามดีพันพันพันเศษเอาผ้าใหม่มาห่อหชั้นสามดีพันพันพันเ็ษเอาผ้าใหม่มาห่อหชั้นสามดีพันพันพันเร็ษเอาผ้าใหม่มาห่อหชั้นห้ารอชั้นแล้วจากนั้นทํำยังไงก็เอารางเหล็กมานึกถึงถังน้ํามันกิโลไหนึกถึงนะได้ผ่าครึ่งนะเออนั่นแหะรางเหล็กรางเหล็กมายาวเนี่ยในรางเหล็กนั้นก็ใส่น้ํามันให้เต็มแล้วเอาศบ เอาพระสพเนี่ยก็ไปใส่ในรางน้ำมันนั้นแล้วเอารางเหล็กขวาของรางเหล็กอ่ะปิดครอบนี่คือวิธีการจัดการประสบของพระเจ้าจักรพรรดิทำอย่างนั้นแล้วก็มันลักษัตย์จัดถวายสาการะถวายการบูชาด้วยมีเครื่องดนตรีมีการบรรเลงมีรคือ พอพอศึกษาเรื่องพวกนี้นะจะเห็นว่าหันศุบ้านเราบางบา ง, งานนะมีการรําไทยรําฟ้อนอย่างงูอย่างนี้ก็โอเคพอพอหยวนได้เพราะเพราะว่าในสมัยงานของพระพุทธเจ้าในสมัยพระเจ้าฮันสุพระเจ้าก็มีการฟ้อนการรําการอะไรกัพวกเนี้ยมันรักษาศักด์ก็จะถวา ย, ยนี่ว่าเคารพมากไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรก็อเอาไอ้สิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันดีที่สุดนี่แหละมาจัดการ ถวายเป็นเป็นเครื่องบูชาก็าใช้ได้ถึงวันที่จะยกพระศพไปไว้ที่มะกุฏพันธนเจดีย์ใครเคยไปอินเดียยังถ้าไปแล้วจะเห็นมะกุฏพันธนเจดีย์ที่ถวายพระเพลิงพุทธศีะจากต้นที่ที่บริพานต้นคู่สาราทั้งคู่เนี่ย อยู่ทางด้านทิศตะวันตกส่วนมกุฏพันธนะเจดีย์อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองนะแล้วมกุฎพันธนะเจดีย์นี่อยู่ทางทิศตะวันออกเมืองอยู่ตรงกลางเมืองมันอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยนี่เมืองนี่ป่าสาระที่ประนิป่านี่มกุฏพันธนเจดีย์เมืองมันอยู่ตรงกลาง มันลักกระสัดเนี่พระในขณะนั้นก็ตกลงกันว่าจะยกพระศพเคลื่อนเข้าทางประตูตะวันตกและผ่ากลางเมืองออกไปทางประตูตะวันออกและเข้าสู่มกุฏพันธนะเจดีแต่พอจับพระศพคนชายร่างล่ำเาเรียกว่าไอ้มันลับอาบกคนคนร่างล่ำนักนักมวยใล้ๆนักมวยปล้ำอย่าเ ยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นทํำยังไงยังยกไม่ขึ้นก็ต้องถามใครอกีกถามพระอนุรุตอีกแกพระอนุรุตพระอนุรุตบอกว่าไม่เป็นไปตามประสงค์ของเทวดาในเทวดาบางทีเราต้องแคร์เขาก็เหมือนกันนะอ้าวจริงทําอะไรทําอะไรไมันอยากแคร์แต่คนด้วยกันนะแคร์เทวดาด้วยนึกถึงเขาบ้างเหมือนกันนะ ไม่เป็นไปนตามประสงค์ของเทวดาเพราะเทวดาไม่ต้องการให้ผ่าเมืองเทวดาต้องการให้เข้าสู่ประตูทางที่ตวันตกแล้วแห่พระสบขึ้นไปทางทิศเหนืออืพอเข้าทางทิศเหนือแล้วลงมาจากทิศเหนือเนี่ยเข้าลงมากลางเมืองหลังหลักนั้นก็ค่อยอ้อมเข้าสู่ประตูตะวันออกเนี่ยทวดาประสงค์ให้ไปอย่างนี้นี้ อย่างนี้และเข้ามากลางอย่างนี้แล้วก็ออกไปอย่างนี้แต่พิกษุกับมันละกษัตร์ได้ข้าคารวะกับพระในยุค น, นั้นต้องการว่านี่เข้าปร ะ, ต, รระตูตะวัตันั้นก็เดินตรงผ่านเมืองไปอย่างนี้แต่เทวดาไม่เอาเทวดาต้องการไปอย่างนี้เข้ามางี้แล้วก็ออกไปอย่างนี้ยกเท่าไหรไม่ขึ้นไม่เป็นไปตามประสงค์ของเทวดาไม่ต้องการอย่างนั้นฉะนั้นคําว่าประชาธิปไตยในเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับพระพิจ้าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้น มันมันมันไม่มันไม่ต้องไ ม, ไม่ประชาชนเทวดาประชาชนที่ปะทีปไตยเทวดาแอนประชาชนที่ปไต ย, <laughs> ต, ย, <laughs> ต, ย <laughs> ต้องกาต้องนึกถึงเทวดาด้วยไม่อนั้นเทวดาไม่เห็นด้วยนี่ก็ลํำบากเพราะท่านไม่ใช่เป็นครูของมนุษย์อย่างเดียวสัตวาเทวมนุษย์หนังเป็นสัตดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายใช่ไหมเออทีนี้พออย่างนั้นเสร็จก็ทําตามนั่นนะ ยกไปเคลื่อนเคลื่อนไปก็เราก็นึกดูว่าคนที่ดีและยิ่งใหญ่อย่างพระพุทธเจ้ากระบวนแห่ประสบมันจะมีเป็นยังไงแต่เราก็นึกถึงดูแล้วกันเราก็มานึกสภาพว่าแค่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ว่รารัชกาลที่เก้าของเรา ดูขบวนประสบที่ก็แห่นะโอ้โหขนาดนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนเพราะพระเจ้าอยู่วะราชการที่เ ก, ก้าเราก็ทรงนับถือพระพุทธเจ้าอ่ะคิดดูดิแล้วพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนในสมัยนั้นกษัตริย์แต่ละเมืองต่างจัดขบวนเข้ามาร่วมสมทบโอ้เยอะมากกว่าจะขับเคลื่อนแต่ละแต่ละ แต่ละระยะทางแต่ละก้าวแต่ละเม็ดแต่ละสิบเม็ดเป็นยังไงแล้วมีน้ำซ้ำมีเทวะพายุหะ <c oughs> หมู่เทพร่วมในกระบวนด้วยนั้นคนที่มีความสามารถหน่อยก็สามารถเห็นเทวดาเคลื่อนตามไปในในกระบวนแห่พระสพด้วยออกไปถึงก็ไปตั้งไว้ที่มกุูรพัฒ น, นาเจดีครบไปถึงวันที่แปด ถึงเวลาที่จะถวายพระเพลิงออกไฟไปจุดเนี่ยไม่ติดดีกเพราะเพราะอะไรไม่เป็นไปตามประสงค์ของเทวดาเลยมันมามีเอี่ยวทุกเรื่องไม่เป็นไปตามประสงค์ของเทวดาเพราะขนาดนั้นท่านผู้อาวุโสที่สุด ที่จะต้องเป็นประธานในงานเนี้ยังมาไม่ถึงกําลังเร่งฝีเท้าอยู่คือใครท่านพระมหาการสปะเถะระท่านกําลังเร่งฝีเท้าเดินทางมาอยูอ่ก็ต้องรอถามพระรอรุตว่าทำไมมันจุดไฟไม่ติดโอ้ทวดาต้องการให้รอพระมหาการสปะคือต้องเป็นไปตามประสงค์ของทวดาก็รอพระมหาการสปะ พอท่านประธานมาถึงท่านก็ไปกราบแวกผ้าไหมนั่นน่ะที่ร่างน้ำมันแล้วก็ก้มออวหน้าผากไปจดที่หลังพระบาทของพระผูของพระสบของผู้เจ้าปุ๊บปะถอยกลับมาว่ากันว่าไฟติดขึ้นเองแต่ไฟติดขึ้นเดงก็ไม่ม า, ากอย่างไหนหรอกก็ขเขาอีกเหมือนกันเลยใช่ไหมเออ มันแย่งเงมันแย่งได้นี่ยเทวดานี่สามารถแย่งพวกเราได้หมดอ่ะเพราะเรามันต้องใช้ร่างกายใช้แรงเขาไม่ต้องใช้ถ้ามันจะทํามาร่วมแย่งกันทําในกิจกรรมเดียวกันแพ้เขาแพ้แพ้เทวดานี่นเหมือนกันนะควายมันติดขึ้นเองพอระาชธานเพลิงสเสร็จไม่ใช่ถวายพระเพลิงเสร็จ นี้ก็เหลือเป็นพระบรมสารีริกธาตุรวมๆเข้าไปหลังจากนั้นก็มีการแบ่งกันก็จะเกิดสงครามแย่งชิงกระดูกกันอืมนี่ตันหาของมนุษย์ไอ้ที่ไม่ดีมันก็จะรบกันนะถึงคราวไอ้ที่ดีถ้ามันแย่งกันก็จะรบกันเหมือนกันเพราะดีหรือไม่ดีถ้ามีตันหาเข้าไปเกี่ยว แหลกเป็นปุ๋ยผงหมดจะเกิดศึกสงครามเพื่อแย่งจริงพระบรมสารีริเกศธาตุเพราะอาคศาสตร์มลละเนี่ยเกาเป็นบ้านเขาเนี่ยเขามาราชตานเตืองที่นี่ไอไปมาแตไวพระจบดในนี่เสร็จแล้วก็รวบรวมใส่ใส่พบตรงคําใหญ่จนกษัตริย์ต่างๆยกทัพมาประชิดเมืองถ้าไม่ให้ก็จะต้องทําสงครามกันไอนี่ก็ไม่ให้ไอโน้นก็จะเอาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ไอ้ความหนึ่งไม่ให้แต่อีความหนึ่งจะเอาอ่ะมั น, เ ป, นเป็นที่มาของสงครามอยู่แล้วนี่นระหว่างนั้นก็มีพราหมณ์อาวุโสคนหนึ่งพรามอาวุโสท่านนี้ก็จะเป็นอาจารย์ของบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่มาแต่ละเมืองเคยไปเรียนหนังสือกับท่านเป็นอาจารย์ใหญ่สอนที่สำนักตักศิลาชื่ออาจารย์โทนพรามอาจารย์โทนพราหมณ์าามก็ส่งเสียงดังึงเสียงของโทนพรามเนี่ยพวก พวกนี้ก็จะเกรงใจแต่ว่าทําไมทนรรมุนพรามถึงสามารถหยุดทัพนี้ได้ก็เพราะทุนพรามเป็นอาจารย์ของพวกนี้ให้เกียรติให้ความคารวะทนพรามบอกว่าพวกท่านต่างก็นับถือไอ้พูดพูดง่ายๆด้วยความหมายกา็พวกท่านต่างก็ให้ความนับถือต่อพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านั้นชงสรรเสริญขันติและความไม่เบียดเบียนแต่พวกท่านกลับใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นขันติและใช้ความเบียดเบียน จะได้ชื่อว่านับถือพระรู้เจ้าอย่างไรพวกนี้ก็ได้สติในที่สุดก็ให้โทนพราหมณ์เป็นคนบริหารจัดการโทรนพราหมณ์ก็บริหารจัดการว่าแต่ละเมืองที่มาให้แบ่งเป็นแปดส่วนก็แบ่งเป็นแปดส่วนทีนี้พอแบ่งเสร็จแล้วตัวเองก็จะเอาทานานที่เือเครื่องแบ่งจากแปดแล้วก็เป็นเก้าใช่ไม แล้วมริยักษัตริย์มาชามาไม่ทันก็เลยเขาแบ่งเสร็จแล้วก็เลยเอาอังคารไปอังคารนั่นอยากไหมฮะเอออังคารไปหน้าข น, านั้นั่ะก็เป็นสิบจนมาปัจจุบันนี้เยอะมาก <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไปแยกมาจากอันไหนนะแต่ก็ว่ากันไปอะไอเรื่องจํานวนต่างๆมันเป็นการสมมุติกันทั้งนั้นแหะ เรื่องจำนวนเรื่องพระบรมสารีริกธาตุเรื่องอะไรจริงมันก็มีไม่จริงก็มีไม่รู้แต่ไม่มีผลต่อการละกิเลสของเราไม่มีผลสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พูดมาทั้งหมดนี้ที่พูดบอกว่ามันเป็นเคลตวิชาของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าค้นพบและนํามาประกาศไว้ก็อปมาเดนะสัมปะเดทะนั่นแหละคืออยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าประมาทเมื่อใดเป็นเรื่องเมื่อนั้นน่ะ เพราะทุกๆการกระทำของเรามีผลเสมอถ้าคราใดที่เรากระทำไปด้วยความไม่ด้วยความประมาทเราประมาทและเราทำไปเราประมาทและเราทำไปประมาทแลวเราก็ทาไปรับรองไลยเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องตั้งแต่ที่ทำนั่นแหละแต่ผลมันยังไม่เกิดและสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นทุกๆครั้งของการกระทำจะมีผลเกิดขึ้นเสมอจนถึงเดี๋ยวนี้วันนี้ ก็ไม่เว้นสิ่งสมมุติต่างๆในโลกไม่มีสิ่งใดที่จะมาลบล้างปิดบังสัจจะคือความจริงอันเป็นธรรมชาตินี้ได้นอกจากการปฏิบัติขัดเกลาชําระชะล้างด้วยตัวของเราเองอย่างถูกต้องถูกวิธีจนในปัจจุบันนี้เรามีความรู้สึก ยึดนะสำคัญหมายคาดหวังกับสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่จะเหลือให้เป็นสิ่งที่ยึดที่ใช้ยิงได้เราไปคาดหมายในสิ่งข้างนอกเช่นเรื่องเงินเรื่องอำนาจเรื่องยศศักดิ์เรื่องบริวาร ว่าถ้ามีเงินมีอำนาจมียศศักดิ์มีบริวารแล้วมันจะต้องดังอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นอะไรก็ตามเมื่อใดที่เราเกิดความประมาทไหมเมื่อใดที่เราประมาทเมื่อนั้นเป็นเรื่องและทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเป็นผลจากการกระทําของเรามันจึงพิสูจน์สัจจะอย่างหนึ่งว่า ทุกๆของการกระทํามีผลสเสบะ อ, อันนี้เรียกว่าสัจจะแห่งกรรมพอไปขึ้นชื่อว่าสัจจะแห่งกรรมมันไม่ได้สนใจหรอกไอกรรมเนี่ยมันไม่สนใจหรอกว่านี่นายอำเภอนายกรัฐมนตรีนายพลหรือนายสิบหรือพลทหารขอทานหรือเศรษฐีชั้นพรมหรือชั้นสามัญหรือชั้นราษ คือมันไม่สนใจนะกรรมนะมันไม่สนใจที่แน่ๆทุกๆของการกระทำจะมีผลเสมอถ้าเรายึดถือเคล็ดวิชาของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วนำมาสอนว่าอัปมาเดนะสัมปเดธะว่าพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทจงอยู่กับความไม่ไม่ประมาทเถิดมันก็จะ รทรงรับรองไว้ว่าอะไรอะอปปามัตตาหุตตวาปาปุญญกรรมเบวะการติเมื่อมีความไม่ประมาทเกิดขึ้นจะทำแต่ความดีมปมาธิโนโดหุตตวาปาปักกัมังการติแต่เมื่อประมาทมันจะมีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่ดีาการทำสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากความประมาททั้งสิ้น ถ้าจะให้ทำสิ่งดีได้ต้องไม่ประมาทนี่ทรงวางหลักไว้ให้พวกเราเรานี่สบายมากเรียกว่ามาอะไรนะถ้าพูดสั์หน่อยก็เรียกว่าสเสวยสุขเรียกว่าเราเนี่ยสเสวยสุขอยู่บนความจัตรูของพระพุทธเจ้าคือพระองค์ทรงทำไว้ให้หมดสิ้นทุกอย่างแล้วเรียกว่าถ้าเราเป็นคู่รับประทานอาหารนี่ทั้งคนหานะ ทั้งคนหาใช่ไ่าไปหามาว่าหาปลาหาเครื่องเคียงหาผักหาเครื่องแกงหาอะไรเสร็จไม่ใช่หาเสร็จนะทำปลาให้ด้วยตำเครื่องแกงให้ด้วยจุดไฟให้แล้วตั้งหม้อปรุงออกรสจนสุกแล้วตักขึ้นมาใส่จานให้ใส่ชามแล้วเสิร์ฟขึ้นมาบนโต๊ะแล้ว วางช้อนไว้เสร็จตั้งเก้าอี้ให้เชิญมานั่งมานั่งเสร็จรบ ก, กวนพวกมึงตักกินหน่อยเหอะอ่ะใช่ไหมพระพุทเจ้าทำขนาดนั้นนะพวกเราแค่ไปนั่งเก้าอี้ที่ทงตำไมไว้ยแล้วนะแค่ออกแรงจับช้อนตักแกงใส่ปาก และอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องทำยากเหลือเกินคือเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้วแล้วก็กลืนนี่เราฮะเราทำแค่นี้มันมีตรงไหนที่เราทำให้ยากไปกว่านี้มั้งมีไหมที่ทรงบอกว่าศีลมันยากตรงไหนถ้าเราต้องวิ่งหาว่าอีศีลมันต้องไปหาจากไหนวะ เออ น, นี่ไม่มีบอกหมอย่าไปฆ่าสัตว์ไม่ก้าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติปิดในการไม่พูดเตทไม่พู ด, ไ ม, พดไม่เดืมเ่มเจ็บมึนเมาอย่างเงี้ยบอกไว้เบ็ดเสร็จแล้วบอกอีกว่ารักษาอย่างไรรักษาแล้วได้ผลอย่างไรบอกไว้ครบแล้วมีตรงไหนอ่ะก็ลองจริงไหมล่ะเราแค่ เหมือนกับจับช้อนที่ท่านวางไว้เรียบร้อยแล้วตักแล้วก็ใส่ปากแล้วก็เคี้ยวแล้วก็กลืนแค่นั้นเองแค่ทำตัวเองให้เคี้ยวกลืนแล้วก็อิ่มแล้วก็ไม่ตายแค่เนี้ยของเราเออมันขนาดไหนทำไม ถ, ถ, ถ, ถึงขนาดนั้นทำไมท่านถึงทำถึงขนาดนั้นก็เพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้า ท่นเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าผู้รู้แจ้งเห็นจริงนี่แหละแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดที่เราเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่ทำตามแค่นั้นเองเรื่องธรรมชาติสองสายสายสมุทยธถวานเป็นสายของกิเลสชาติ สายนี่โรธทวารเป็นสายของคุณชาติอันเป็นธรรมชาติที่เป็นคุณชาติสายกิเลสชาติที่นี้เราเนี่ยเป็นผู้เลือกว่าเราจะเดินในสายไหนทุกทุกสายที่เราเดินทุกขณะที่เราย่างในแต่ละสายมันจะให้ผลสเสมอมันไม่มีการบังคับพระเจ้าเนี่ย อย่างพราหม์เข้าไปถามท่านนะสุดท้ายก่อนที่จะผริผ่านสุพัทธาอุตเตบาปชิตเข้าไปถึงถามโอ้โหปุรนักกัจจ ป, ปะก็บอกว่าตัวเองดีมัคคิลิโกสารก็บอกว่าตัวเองดีคนอาชิตตักรรมพลก็บอกว่าตัวเองดีทุกคนก็บอกไว้แล้วก็คนมองดูแล้วก็น่าจะสมมุติว่าดีไอ้มันดีจริงไหมพระเจ้าบอกว่าอย่าเสียเวลาเลยเธอจงฟัง เราจะแสดงธรรมให้เธอขวัมแด้พระุธเจ้าก็แสดงเรื่องคุณชาติอันเป็นธรรมชาติสุภะวุตไอสุะวปฏิปาะชก็สำเร็จได้บวชเออทเรื่องอะไรเนี่ยวันเนี้ยอธมีบูชาเทศการณ์นี้เป็นเทสการณ์ของอธมีบูชา การที่จะเดินในเส้นทางของพระเจ้ามันก็คือความปรารถนาในใจของเราการทําตามคําสอนของพระบุตรเจ้าไม่ได้ขัดแย้งกับความปรารถนาดั้งเดิมในใจของเราส่วนลึกในใจของเราปรารถนาอย่างไรการปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าก็อย่างนั้นแหละ ไม่มีอะไรที่ไปขัดแย้งต่อความปรารถนาในใจของพวกเราทุกคนพวกเราประมาทในความตั้งใจของตนเองอ <het Über leg> ันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าในขณะ ท, ที่ที่ใกล้จะใกล้จ ะ, ร, จะริบานนะทรงมีอาพาธพระก็กลายเป็นห่วงไงโอ้พระองค์องค์จะต้อง พี่เจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องห่วงเรื่องกายเรื่องอาพาธของตถาคตเมื่อใดที่ตถาคตเข้าเจโตสมาธิไม่เอานิมิต ด, ดับอารมณ์ไม่ใส่ใจในนิมิตและก็ดับเวชนาทั้งหมด เมื่อนั้นกายตถาคตก็จะจะสบายจะสะุบเพราะฉะนั้นพวกเธอไม่ต้องมาห่วงสันุกเจ้า <c ười> ไม่ต้องมาเป็นห่วงเมือ่อใดที่ตถาคตเข้าเจโตสมาธิดับนิมิต ท, ทั้งปวงดับเวทนาทั้งปวงไม่ทำไว้ในใจซึ่งนิมิตใ ด, ใดๆเมื่อนั้นกายของตถาคตก็จะสาย อาพาธทั้งหลายเลยก็ไม่สามารถทาอะไรได้พื <c> ่เ <oughs> จ้า ว, ว่ากอเหมือนกับจะบอกว่าพูดอย่าไยายามว่าพวกเธอไม่ต้องมาห่วงข้าแล้วข้าเนี่ยดูแลตัวข้าแล้วเพราะอะไรเพราะอัตติปะอัตตสรณนาเรามีตนเป็นที่พึ่งมีตนไป็นเกาะแล้วเพราะพวกเธอทั้งหลายอย่าประมาททาตนให้เป็นที่พึ่งของตนทำตนให้เป็นเกาะทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้ นี่พูดกันช่วงเช้าเนี่ยให้พวกเรารู้สึกว่าออโชคดีที่มีพระพุทธเจ้าก็ของพระเจ้าเนี่ยมันจึงจะต้องมีสามคำที่พูดไว้หนึ่งทำให้ถูกสองทำให้มากสามทำให้บ่อยเนี่ยสามคำนี้ต้องมี ถ้าทำไม่ถูกแม้ทำมากทำบ่อยก็ไม่เกิดประโยชน์แม้ทำถูกแต่ทำไม่มากทำไม่บ่อยก็ไม่เกิดประโยชน์ทำให้ถูกทำให้มากทำให้บ่อยจำไว้ของผู้เจ้านี่ตอนนี้เราก็ลังเอา อ, อกเอาใจกันในสานักปฏิบัติ สถานที่สอนสมาธิก็อเอาใจกันคืออย่างน้อยๆให้ได้มีคนมาปฏิบัติท่านก็ว่าให้ได้สักหนึ่งนาทีสองนาทีสมนาทีก็ได้แต่มารุ่นพวกเราตมาจะไม่พูดอย่างนั้นนี่ะเราทำอยู่แล้วเราจะต้องฝึกการนั่งสมาธิให้ได้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมง ถ้าเรานั่งได้หนึ่งชั่วโมงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่เพราะตอนนี้เรานั่งห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วใช่ไหมเออมนเป็นอย่างนี้ต่อไปเราก็ต้องหัดนั่งสมาธิให้ได้หนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยด้วยการรักษาอารมณ์สมาธิเหมือนกับสี่สห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีนี่แหละแต่เราต้องฝึกการนั่งเนี่ยให้มีประสบการณ์ในการนั่งให้ได้หนึ่งชั่วโมง พอผ่านพอผ่านการนั่งได้หนึ่งชั่วโมงต่อไปนั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ไม่เป็นประเด็นแล้วเราก็เดินสมาธิก็ไปพอหนึ่งชั่วโมงได้ถ้ามันยังไม่บรรลุเราก็ปรับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะการทําให้ถูกทําให้มากทําให้บ่อยมันเกิดผลแน่นอนกับใจของเราเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคําสอนทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรออกนอกเหนือไปจากใจของเรา ก็เคยพูดบ่อยๆว่าผู้เจ้าจะรู้อะไรไม่ได้ไปหามาจากในป่าในเมืองในเขานะค้นคว้ามาจากใจของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นจนพบความจริงเยอะแยะในใจของพระองค์ปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าความจริงที่ค้นพบในใจของพระองค์นั้นคือความจริงที่มีอยู่ต่อใจทุกใจทัานคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนมาทั้งหมด เป็นความจริงที่มีอยู่ในใจทุกใจถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองมีใจความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนมีอยู่ในใจของท่านนะ่ละเว้นไว้แต่ท่านไม่มีใจ